คุทวสวัสดีค่ะคุณฟังที่เคารพคะรายการสังสนีสนทนาทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 ที่มีดิฉันสันส น, นาพงมา์มาดำเนินรายการในช่วงของวันพฤหั ส, สบดีกับวันศุกร์ขณะที่มีพระมหาเพริยวัชิปุณโนท่านผู้อในวยการหลักสูตรหลีกเล่นของวัดป่าดอนหายโสดจังหวัดอุดรธานีท่านมาให้ธรรมะกับท่านผู้ฟังเป็นประจา อยู่จันถึงสุกเลยนะคะเราก็เป็นรายการที่มุ่งหวังให้ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นชาวพุทธหรือเป็นผู้ที่นับถือความเชื่ออื่นได้มารู้จักกับพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวพุทธจะได้ประโยชน์มากขึ้นกว่าการที่ไม่ได้ฟังในสิ่งที่พระศาสดาสอน นะคะคือบางทีเราก็อาจจะคิ ด, ดว่เาเราเป็นชาวพุทธเราก็สวดมนต์ถูกนะอรหังสัมมาสวาขาโตเวลาไปไหนตอนไหนอาราธนาศีลเราก็รู้จักเท่านั้นก็เพียงพอแล้วพระพุทธเจ้าต้องการให้เราปฏิบัติด้วยรายการนี้ก็ให้ท่านได้มีโอกาสปฏิบัติกันพร้อมๆในรายการด้วยนะคะตั้งแต่ตอนต้นของรายการก็เดี๋ยวเราไปกราบน้ำมการพระอาจารย์เสร็จเรียบร้อยท่านก็จะเข้าสูบ่บรรยากาศของการนํา ปฏิบัติให้กับพวกเราทุกคนเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะเดีฉันกําลังจะไปกราบน้ัสศการท่านเดี๋ยวนี้คะ่ะนมัสการท่านคะเป็นพรสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนอาไว้ตั้งแต่ยังไม่ได้ไปบอกใครสอนใครเลยคิดไว้ว่าจะไปสอนปัญจวัคคีเนี่ยสิ่งที่จะไปสอนคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วคือเรื่องของสติในการที่เราจะฟังธรรมเราก็ตั้งสติเอาไว้ก่อนโดยสติที่พระพุทธเจ้าคิดว่า จะไปสอนคนให้รู้จักทางที่จะพ้นจากทุกข์พระพุทธเจ้าได้ขยายความมาไว้ในกิรลาต่อมาว่าคือเรื่องของสติปัฏฐานทั้ง 4. สี่สติปัฏฐานทั้ง4คือการที่เราใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงหรือว่าใช้เวทนาหรือว่าใช้จิตหรือว่าใช้ธรรมก็ได้ให้เป็นฐานที่ตั้งวิธีการนั้นก็คือว่าเอาลมหายใจของเรานี่หละลมหายใจของเราเป็นกายอย่างหนึ่ง ในกายทั้งหลายเรามารับรู้ถึงโลหมายใจได้ที่ตรงไหนตรงนั้นเนี่ยชื่อว่าเราใช้กายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงคำว่สตินี้หมายถึงการระลึกได้การระลึกได้หรือระลึกถึงมีลักษณะที่พระพุทธเจ้าอธิบายให้นิยามเอาไว้หมายถึงระลึกคือจําถึงสิ่งที่ทําและคําที่พูดแล้วแม้นานได้ซึ่งการระลึกหรือการจําได้ในที่นี้คือเรา เอกใจขึ้นได้แทนที่เราจะให้จิตพอเราไปอยู่ที่หนึ่งก็ให้มาอีกที่หนึ่งนี่คือลักษณะของการระลึกได้จําได้ซึ่งในที่นี้การระลึกได้จําได้ก็คือออกมาจากที่ที่มันเป็นอกุศลให้มานึกถึงอยู่ระลึกอยู่รู้อยู่จําได้อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลที่ที่จะเป็นให้เราระลึกถึงได้อยู่ได้จําได้สิ่งที่เป็นกุศลต่างๆนั้นได้ใช้กายนี่แหละใช้กายของเราโดยใช้ลมหายใจลมหายใจก็เป็นกายอย่างหนึ่ง หรือว่าในขณะที่เรามาดูลมหายใจเนี่ยมีความรู้สึกอยู่ความรู้สึกสัมผัสที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเวทนาเวทนาแปลว่าความรู้สึกความรู้สึกที่เรารับดูได้ถึงสัมผัสที่กระทบอยู่ในโรงจ ม, มูกนี่แหละก็เรียกว่าเป็นการใช้เวทนาหรือความรู้สึกนี้เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้และในขณะที่จิตของเรามาอยู่กับลมนั่นคือการที่เราจะมาระลึกถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เราก็ต้องเอาจิตของเราเข้าไป รู้สิ่งนั้นเดยเวลาที่เราเห็นลมหายใจอยู่ในบริเวณทางเข้าทางออกของลมหายใจพูดง่ายๆคือในโพรงจมูกนี่แหละเราเห็นลมเข้าเห็นลมออกอยู่ผู้ที่เข้ามารู้ผู้ที่เข้ามาเห็นก็คือจิตของเรานั้นเองจิตที่มารู้มาเห็นลมตรงนี้ก็ชื่อว่าใช้จิตเป็นฐานที่ตั้งให้การระลึกถึงก็ได้ใช้จิตเป็นตัวที่จะทําให้สตินั้นเกิดขึ้นจิตมาอยู่กับลมเมื่อไหร่สติก็เกิดขึ้นทันดี ในขณะที่เรารู้ลมอยู่อย่างนี้บางทีเรามีความคิดนึกสิ่งใดผ่านไปผ่านมาจะเป็นเรื่องในอดีตก็ตามเรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้แต่เรานึกได้เราจําได้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าเราเผลอสติทั้งหมดเพราะว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ตามแต่ถ้าเราเห็นความไม่เที่ยงในสิ่งนั้นเห็นความเป็นอนัตต า, านในสิ่งนั้นเห็นความเป็นของที่มันไม่ใช่ตัวตนเห็นอยู่ด้วยปัญญาว่าไม่มีค่าเขาจะ่จะไปยึดถือในความคิดนั้นอารมณ์นั้น อันนี้ชื่อว่าเห็นธรรมะอยู่รู้ลมหมยใจไปด้วยรู้ลมหายใจไม่ลืมลมพิจารณาสิ่งต่างๆที่เข้ามาเห็นอากาศร้อนก็ทนได้เห็นเรื่องราวที่มาทําให้เราทุกข์ใจก็เห็นตามที่มันเป็นจริงไม่ได้ไปเกลือกล้วยึดถือหรือทุกไปตามมันเห็นด้วยความเป็นอนัตตาเนี่ยชื่อว่าเราเห็นธรรมะละเห็นธรรมะอยู่ด้วยปัญญาอันยิ่งจากการที่เราตั้งสติขึ้นชื่อว่าเราก็เจริญทั้งกายด้วยมีทั้งกายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการดะลึกถึง จากการที่เรามารู้ดูลมหมยใจขงเราเวทนาด้วยจิตด้วยและธรรมมาด้วยก็อยู่ในนี้จากการที่เรามาดูลมหมยใจซึ่งการกระทำตรงนี้ให้ทําอย่างเป็นธรรมชา ต, ติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงไม่ต้องตามลมเรารู้โลมเห็นลมอยู่อย่างเป็นธรรมชาติอย่างนี้สีอย่างนี้เกิดขึ้นบร้อมๆกันพระชาติเปืีองเหมือนกับอาคารหรือว่าเจดีหลังหนึ่งที่มีทางเข้ามาจากตะนั่นตะวันออกตะวันตกเหนือและใต้ จะเข้ามาจากที่ไหนก็ถือว่ามาสู่เจดีย์นี้ทั้งสิน้นเหมือนกันไม่ว่าเราจะเห็นลมโดยความเป็นธาตุลมหรือเห็นลมจากสัมผัสที่เกิดขึ้นหรือว่าเรามานึกถึงจิตที่มาอยู่กับลมนี้จะมาจากมุมไหนก็ตามก็ชื่อว่าสติเกิดขึ้นเหมือนกันและการตั้งสตินี้สามารถทําได้ตลอดทั้งวันในขณะที่เราขับรถอยู่เรือหนังสืออยู่หรือว่าทํากิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่เราฟังทําไปอยู่ด้วยก็มารู้ลไม่ใจได้เหมือนกันเจริญเปล่า ค่ะสาธุค่ะนั่นเป็นเรื่องของการปฏิบัติสอดคล้องกับคําถามในรายการพอดีเลนะคะเรียนบาล อ, อันนี้เป็นผู้ปฏิบัติมาแล้วก็ได้พบว่าฟังเป็นเป็นแฟนรายการฟังพระอาจารย์กล่าวว่าการบริกรรมในใจพุทธโธเป็นพุทธานุสติเป็นพุทธวจนะใช่แต่คุณหนุ่มเจ้าของคําถามเนี่ยบอกว่าไม่เคยเห็นพระสูตรท่านจะเมตตาอธิบายได้หรือไม่ตอนเนี้ยสับสนอยู่ค่ะอ๋อ เกี่ยวกับเรื่องของพุทโธเอาคำว่าพุทโธนี่ก่อนนะคำว่าพุทโธเนี่ยเป็นพุทธวัจนะแน่นอนเพราะการเพราะว่ารังสัมาสัมพุทโธเนี่ยที่เราสวยว่ารังสมาสัมพุทโธเนี่ยคือตรงนี้พุทโธอยู่ละเป็นไม่ใช่พุทโธธรรมดาแต่เป็นสัมมาสัมพุทโธนะคืออย่างที่ธรรมาเคยอธิบายว่าพุทโธเนี่ยมีอยู่สามระดับในระดับสูงสุดนี่คือสัมมาสัมพุทโธระดับที่รองลงมาคือปัจเจกขพุทโธแล้วระดับที่ น้อยที่สุดที่จะเป็นพุโทโธได้ก็คืออนุพุโทโธมีพุโทโธอยู่3ระดับในะระดับแรกคือสูงสุ ด, สสดเนี่ยคือสัมมาสัมพุทโธเนี่ยคือรู้เองด้วยสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้ด้วยอันนี้คือระดับแรกนั่นะคือสอนให้ผู้อื่นรู้ตามเนี่ยความรู้ตามเนี่ยคืออนุพุโทโธที่เราจะเรียกว่าอนุพุทธะอนุพุทธะนะเช่นท่านพ <c oughs> ระสารีบุตรท่านพระมหาโมคลานะอันนี้ท่านเป็นอนุพุทธะตามไหนตามสัมมาสัมพุทธะ ก, ก็คือเป็นอนุพุธโทตามสมมาสัมพุธโทกกคือสมมาสัมพุธโทสามารถสอนให้เกิดการอนุพุธโทได้ในการรู้ตามได้อนุนี่คือตามมาภายหลังทีงนี้ในส่วนปัจเจกกับพุธโทนั่น ก, ก็คือรู้ได้ที่ตัวเองตัวเองรู้เองได้ไม่ต้องมีครูสอนแต่ว่าสอนให้ผู้อื่นรู้ตามไม่ได้ทําให้เกิดอนุพุธโทไม่ได้ดังนั้นมี3ามระดับตรงนี้เพราะนั้นคำว่าพุธโทอันนี้เป็นพุพทธผลแน่นอน สิี ใ, ในส่วนของคําว่าบริกรรมอาจจะมาคิดว่านนคุณหนุ่มคงจะเข้าใจคล้ายเคลื่อนไป น, นิดนึงนะคืออาจมาจะไม่ได้บอกว่าการตอบตรงนี้เป็นพุทธวจนะแต่จะอธิบายไปแต่ละคําก่อนแต่นะว่าคําว่าพุทโธเป็นพุทธพจน์แน่นอนคําว่าบริกา ร, รเป็นพุทธพจน์มีไหมมีอยู่ในะมีอยู่3มจุดด้วยกันนะัคือพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงอุ ป, ปอมาอุปไมยคุณยมติวที่พูดถึงเรื่องของทองคำํำนะอันดับแรกคือทองคำก่อนช่างทองเนี่ยกว่าเขาจะได้ทองคํามาเนี่ย เขาไปเจอพื้นที่แห่งหนึ่งที่มันมีสินแร่ทองคําอยู่มากเป็นดินเหลืองๆเนี้ยเขาต้องเอามาล้างน่ะล้างชนิดอย่างหยาบล้างแล้วล้างอีกผ่านตะแกรงกรองอย่างกลางล้างแล้วล้างอีกอย่างละเอียดล้างแล้วล้างอีกสเก็ดอะไรต่างๆออกไปห้หมดเหลือจำเป็นผงสายทองเนี้ยนะพอเขาได้ผงสายทองออกมาจากเศษดินปริมาณมากแล้วเนี่ยเขาก็จะต้องเอามาหลอมน่หลอมต้องใช้ไฟที่สูงมากซึ่ง สมัยก่อนเชื้ออะไรที่มันจะเอามาทําเป็นไฟเนี่ยที่มันจะได้พลังงานมากเนี่ยมันก็แค่ไม้แค่ฟืนอาจจะมีฐานหินบ้างพลังงานมันก็ไม่สูงเขาก็ต้องหลอมทําเป็นปากเบา้าให้แบบไฟกองใหญ่ๆเนี่ยมารวมกันเป็นเบ้า เ, เล็กๆแล้วก็เอาเบ้าหลอมเนี่ยไปวางบนปากเบ้านี้ให้ทองผงทองเนี่ยอยู่บนนี้แล้วก็เป่าไฟเข้าไปเป่าไฟเข้าไปแล้วมันก็จะเป็นความร้อนสูงขึ้นมาให้ทองเนี่ยมันหลอมละลายจนกระทั่งมันแยก สารประกอบของสิ่งที่ไม่ใช่ทองออกไปเช่นเงินดีบุกตะกัวพวกนี้แยกออกไปแยกออกไปเหลือทองคำล้วนๆเนี่ยมันก็จะมีเนื้ออ่อนในการการทําของช่างทองตรงเนี้ยพระบรมเจ้าบอกว่าเป็นการทําบริกรรมคือทําให้มันละเอียดทําให้มันนุ่มออกมาทําให้มันเหมาะสมแก่การงานนั้นๆซึ่งการงานของช่างทองก็คือเอาไปทําเป็นเครื่องประดับอะไรต่างๆใช่ไหมอันนี้คือคําที่หนึ่งที่พระบทมเจ้าใช้คําว่าบริกรรมอุปมาอุปไมยที่สองก็คือใช้กับช่างดิน ช่างปั้นหม้อแตนะ่ช่างปั้นหม้อเนี่ยเขาจะเอาดินมาปั้นเป็นหม้อแล้วเขาจะต้องนวดดินซะก่อนนะดินเหนียวอย่างเงี้ยนะที่เราเคยเห็นเขาเอามาปั้นหม้อเนี่ยกว่าจะมาเป็นแบบดินแบบนั้นได้เนี่ยโอ้ยเขาจะต้องผ่านการนวดแล้ ว, น ว, ลวนวดอีกคุณ ย, ยมติวเขาจะต้องเอาเศษหินเศษฝุ่นเศษฟางเศษก้อนกรวดอะไรจะเจอหยิบออกหยิบออกแล้วนวดบางทีต้องมีส่วนผสมพิเศษนะเพราะว่าไม่งั้นดินมันจะไม่ติดกันอยู่ก็อาจจะใส่แป้งบ้าง ใส่ผงอันนั้นบ้างใส่น้ำมันนาวบ้างอะไรตามสูตรที่เขามีผสมก็ไปนวจนมันเข้ากันเนี่ยเนื้อมันเหนียวเนื้อมันเข้ากันแล้วเนี่ยถึงจะเอามาปั้นหม้อได้อันนี้คืออย่างที่สองที่ใช้คําว่าบริกรรมคือทําให้มันเหมาะสมกับการงานในอย่างที่สามอุปมาอุปไมยที่ความหมายเดียวกันก็คือใช้กับช่างแกะสลักงาช้างแตช่างแกะสลักงาช้างได้งาช้างอย่างดีมาโว้ยเขาจะต้องฝนทําให้มันเนียนให้มันเรียบซะก่อนแกะสลักอย่างดี จนกระทั่งมันไม่มีเซียนถึงจะเอามาขึ้นรูปแกะสลักงานต่างๆของเขาได้เนี่ยเวลากระดาษสไลดที่เขาใช้ฝนเนี่ยก็ต้องใช้อย่างหยาบก่อนมาละเอียดเบอร์หนึ่งละเอียดลงไปอีกเบอร์นึงจนกระทั่งมันเรียบเนียนสวยงามเป็นงานแกะสลักที่ดีออกมาเนี่ยการกระทำตรงเนี้ <Okay. S 1> เพราใช้คําว่าบริกรรมเพราะฉะนั้นคําว่าบริกรรมเนี่ยหมายถึงการทําให้มันเหมาะสมทำให้มันเข้ากันทําให้มันดีเปรเียบเทียบกับอะไรเปรเียบเทียบกับจิตของเรา หรือการงานอย่างใดอย่างหนึ่งของเราบริกรรมเนี่ยกรรมนี่คือการกระทำใช่ไหมทําให้มันเหมาะสมทำใหมันรอบทําให้มันเข้ากันทำให้มันดีทำให้มันพร้อมลักษณะนี้คือคําว่าบริกรรมเพราะฉะนั้นคําจิตของเราเนี่ยให้มันพร้อมที่จะรู้ตามเป็นพุทโธเนี่ยเพราะฉะนั้นคําว่าถ้ามีใครพูดคําว่าบริกรรมพุทโธเนี่ยเราต้องเข้าใจความหมายเบื้องลึกให้เป็นอย่างนี้นะจิตของคุณเนี่ยทำให้มันพร้อมที่มันจะเป็นพุทโธได้หรือยังเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาชื่อของพระพุทธเจ้ามาท่องไว้ในใจพุทโธพุทโธพุทโธ โอ้มันมีความหมายที่ลึกลงไปอีกนั่นนะเพราะว่าไม่ใช่แค่พุทโธพุทโธแต่ยังมีเป็นพักวาร์พระพุทธเจ้ายังเป็นผู้ที่สามารถสอนคนได้ผู้ที่จําแนกแจกธรรมโอมีคุณสมบัติเยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสิ่งที่เป็นพุทธานุสติตรงนี้เข้าใจที่แม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีภาพเป็นพระอรหันต์แต่สรู้ชอบในตัวเองบลาบลาไปเนี่ยบทอินทธิปิโสเนี่ยอันนี้คือเอามาทําบริกรรมเลยเอามาแบบทําใหได้ใจอย่างดี จิตที่นึกถึงพระพุทธเจ้ามันจะนุ่มนวลมันจะไม่กระด้างมันจะไม่ว่าคนนั้นคนนี้แต่เป็นจิตที่จะนุ่มนวลเหมาะสมอันนี้คือแปว่าเขามีพุทธโธอยู่ในใจมีการทําพุทธโธเนี่ยเป็นบริกรรมแล้วอันนี้อาจามาจะพูดอย่างนี้เพะ น, นั้นก็ต้องเข้าใจตามนี้นะอย่าเข้าใจค่าเคลื่อนค่ะงั้นก็เท่ากับว่าถ้าสรุปตามคําถามของคุณหนุ่มเพื่อตอบให้ตรงๆคือพุทธโธนั้นเป็นพุทธวัจนะแต่ ถ้าอาจารย์ไม่ได้กล่าวว่าการบริกรรมในใจพุทโธเป็นพุทธานุสติเป็นพุทธว จ, จนะเพียงแต่อธิบายในส่วนของการบริกรรมว่าต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าแปลโดยรวมหมายถึงการทำให้เหมาะสมแก่การงานในที่นี้ก็คือการทำเพื่อให้เหมาะสมแก่การที่เราจะเจริญสติต่อไปให้มีพุทโธอยู่ในใจได้ ค่ะอ่าเมื่อนําเอาพุโทโธซึ่งจริงๆพุโทโธถ้าในส่วนที่หมายถึงอ่าที่ท่านได้กล่าวว่ามีสามระดับนั้นท่านก็บอกว่าเนี้แหละเป็นพุทโธวัจนะถูกไหมคะํ<ช>าพังตัวคําว่าพุโทโธเมื่อประกอบอยู่ในดิฉันไม่ทราบว่าในบาลีเขาเรียกเป็นประโยคหรือเปล่านะคะอย่างอารหังสัมมาสัมพุโทโธอที่เราก็ท่องกันอยู่เป็นประจําท่านบอกเป็นพุทโธวัจนะถูกไหมคะใช่ คำว่าพุทโธเนี่ยคือถ้าเราจะพูดแค่พุทโธเนี่ยมันพูดย่อไงพูดย่อคือถ้าจะพูดสัมมาจุฑโทข่มก็ยาวก็พูดพุทโธเฉยเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็ต้องเข้าใจว่าแยกเป็นสามระดับอย่างที่ว่าค่ะดังนั้นในที่นี้ก็หมายถึงว่าเป็นการที่เราจะเจริญสติด้วยการใช้พุทโธเป็นสติใช้พระพุทธเจ้าเป็นสติใช่ไหมคะเป็นที่ตั้งของสติใช่พุทธานุสติได้แน่นอน แล้วแล้วในกิริยาที่คุณกระทำอ่ะคุณจะท่องชื่อคุณจะกราบคุณจะเอาดอกไม้มาบูชาอันนี้เป็นการกระทําทางกายทางวาจาทางใจก็ต้องให้มีด้วยไงทางใจต้องให้มีด้วยแ ต, แต่ที่เป็นพุทธว จ, จนะที่ตรัสไว้ว่าจงบริกรรมด้วยการภาวนาพุทธโธเนี่ยไม่มีถูกไหมคะที่ท่านหมายความอย่างนี้ที่ท่านพัยบุญพยายามจะบอกคุณหนุ่มใช่คือว่าอาตมาไม่ได้พูดแบบนี้ที่เรามาต้องการทําความเข้าใจคือว่าถ้าคุณจะทําบริกรรมพุทธโธ คุณต้องเข้าใจความหมายตามนี้นะอ่ามันถึงจะลึกซึ้งลงไปอย่างนี้ว่าบริกรรมอย่างนี้พุโทโธอย่างนี้คือไม่ใช่แค่คท่องแต่ปากเฉยๆแต่ในใจต้องให้ใหมีพุโทโธด้วยนุ่มด้วยอ่อนด้วยอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคําว่าบริกรรมเนี่ยปกติที่ท่าเข้าใจว่าคนจะเข้าใจไปในถึงเรื่องมีเวทมีมนหรือว่าในลักษณะของการปฏิบัติภาวนายอย่างเงี้ยเราเข้าใจคําว่าบริกรรมแต่ว่าเมื่อพระพุทธองค์ได้ตรัสโดยมีอุปมาอุปไมย กับเรื่องของช่างทองช่างปั้นหม้อกับ<ม>ช่างแกะสลักงาช้าง<ม>ว่ากริยาต่างๆในการกระทาเพื่อทำหม้อทาเพื่อเตรียมทองจะไปทำเครื่องทองเตรียมดินจะไปปั้นหม้อมเตรียมงาช้างเพื่อไปแกะสลักงาช้างกริยาอย่างนี้เรียกว่าการบริกรรถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องทำให้เหมาะแก่การงานใช่ถ้าจะจำง่ายๆ ดิฉันจะขออนุญาตจาอย่างนี้ได้ไหมคะออืบริกรรมทองบริกรรหมองบริกรรมอ่างานช้างบริกรรมการแกะสลักงานช้างคือเหมือนกับว่าอันนี้เป็นเหมือนเราจําไปสอบอะค่ะพอจะใช้นึกถึงเออบริกรรมแปลว่าอะไรจะได้ไม่ออกคำว่าบริกรรมถ้าถ้าจะให้ถูกบทเป็นอย่านะ้นทีหนึ่งก็คือบริกรรมจิตของเราทําให้จิตของเราอ่าโดยใช้อะไรเป็นเครื่องมือใช้อะไรเป็นเครื่องมือคุณใช้สามารถสมมติโทรเป็นเครื่องมือได้ คุณใช้อนาปนสติเป็นเครื่องมือได้คุณใช้ธรรมานุสติเป็นเครื่องมือได้านุสติทุกอย่างเลยใช้ศีลเป็นเครื่องมือได้ใช้เป็นเครื่องมือเพื่ออะไรให้จิตเป็นบริกรรมคือคือดิฉันก็สับสนนะคะเพราะว่าก็ได้ฟังมาหลายแบบใช่ไหมคะว่ามีความสงสัยคล้ายๆคุณหนุ่มนี่แหละอืแต่ทีนี้ตอนนี้ก็จะทําความเข้าใจให้กระจ่างมากขึ้นเคว่าในแนวทางการปฏิบัติของพระศาสดา จนกว่าที่ท่านจะบรรลุธรรมเนี่ยสุดท้ายท่านวางทั้งหมดถูกไหมคะแล้วก็จริงๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้เคยตรัสไว้ว่าในการปฏิบัติภาวนาของท่านนั้นท่านได้ใช้อะไรเป็นการบริกรรมหรือท่านเคยตรออัสสิ่งที่แบบพระพุทธเจ้าตรัสก็คืออนาปนสตินะท่านใช้อนาปนสติ เนี่เป็นค เ, ร <c oughs> เนคเรื่องมือเนี่เป็นเครื่องมือทีนี้ท่านทําอานาปนานสติจนเป็นบริกรรมาใช้คํานี้ดีกว่านะ<ช>บริกรรมเนี่ย ค, คือลักษณะอย่างอุปมาอุปไม้3 า, ยาอย่างที่ท่านพูดเองบับปุระเจ้าตรัส <c oughs> เองว่าช่างปั้นหม้อช่างทอแล้วก็ช่างแกะสลัก ง, งาช้างเนี่ยทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นบริกรรมละจะขึ้นรูปได้ละจะทํางานของ <c oughs> เขาได้ล ะ, ะพระพุระเจ้าใช้ลหมหายใจทำํำจนเป็นบริกรรมบริกรรมตรงไหนในจิตของท่านนั่นล่ะจิตพร้อมแล้ว <c oughs> บริกรรมดีแล้ว นะทำแล้วทาอะไรงานนี้คืออะไรเห็นตามจริงมีวิ ช, ช, าว ช, ชาเกิดขึ้นมีวิชาเกิดขึ้นนี้จึงเป็นสัมมาสัมพุทโธขึ้นมาเนี yeah. ่ยค่ะคือถ้าพระพุทธองค์ท่านจะใช้ลมหายใจเป็นบริกรรมของท่านถูกไหมคะ น, นาปานสติเป็นบริกรรมสมมุตินะคะสมมุติว่าเราก็ฝึก ด, ด้วยการใช้พุทธานุสติออืคือใช้พุทโธเนี่ยเป็นการบริกรรม ให้จิตเหมาะสมแก่การงานเออคุณจะทำยังไงค่ะทีนี้สมมติภาวนาไปเรื่อยๆ เ, เราสามารถที่จะใช้พุทธานุสตินี้สมมุตินะคะว่าเรามีอินทร์บา ร, รมีแก่กล้าละ่ะเราจะพาตัวเองไปถึงปลายทางคือบรรลุวิมุตตหลุดพ้นด้วยการภาวนาพุทโธไปตลอดเวลาได้หรือไม่คะโอได้แน่นอนได้แน่นอน เพราะว่าในอนุสติสิบอย่างนี่นะไล่มาตั้งแต่พุทธา น, นุสติจนสุดท้ายจบที่อานาปนานสติเนี่ยก็คือเหมือนกันหมดเป็นเครื่องมือที่จะทําให้ถึงวิมุตได้หมดสติเป็นอธิบดีไงในธรรมะเวลานี้คุทตราบอกนะให้ไปตามสายงานไปตามสายจากแบบเริ่มต้นไม่มีอะไรคุณก็รักษาสีธรรมดาเอาไปขึ้นคุณทําสมาธิได้ลึกซึ้งขึ้นคุณเห็นตามที่เป็นจริงจนกระทั่งวิมุตหลุดพ้นสตินี้ต้องไปตามนี้ตลอดทีนี้ประเด็นตรงนี้คือว่า เราไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าคุณยมเตียวอามามไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าตัวเป็นเป็นท่านเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอามามจะไม่เคยเห็นมหาบุตรสามสองประการว่าเป็นยังไงท่านผูฟังจะไม่เคยเห็นเอาเกิดในชาตินี้พอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะบอกว่าเฮ้ยพุทธานุสติพุทธานุสติมันยังไงมันยังไงฮะยเขาที่เขาเขียนไม่ได้ตำราเขาบอกอิติปิโสภควาอาหางสมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมบณโนสุกตโลกะไปถูไปเรื so ่อยใช่ไหมจนกระทั่งภควาเป็นภควานี้เพราะนั้ไอไประโยชน์ตรงนี้ เฟรยาวๆเนี่ยที่บทอ e ีทีพีโศเนี่ยแปลเป็นไทยก็คือแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้ธมีพระตรงเนี้ยคือพุทธานุสติคถั<แ>งกรณีนะทังกร น, นี้คือพุทธานุสติเอาถ้า<แ>ยังไม่ไม่เคยเห็นเห็นต่างๆไม่ได้อังนั้นฟังทางหูอ๋อเข้าว่างอย่างนี้ใช่ไหมเรามาท่องท่องๆ่ให้มันเข้าไปในหัวจําให้ได้ท่องนะแบบเริ่มต้นไม่รู้อะไรนะก็ท่องไปสิท่อ<แ>งไปท่องไปจําได้จําได้อ๋ออรังสมาสมพุโทโธ ก็จำให้ไปอยู่ในใจใช่ปะใจน้อมไปในแต่ละคำหมายความว่ายังไงอภิควาอย่างนี้วิชาเป็นอย่างนี้จรณะเป็นอย่างนี้จิตเราทรงอยู่ในคุณธรรมต่างๆ่างเราเนี่ยอยู่ในใจอยู่ในใจเนี่ยใจมันมีสิ่งที่ดีอยู่ตลอดเลยใจมีสิ่งดีนี้จิตเริ่มเป็นบริการไหมนะจิตเริ่มเป็นบริกา ร, รละจิตที่เป็นบริกา ร, รแบบเนี้ยเห็นอะไรพวกเนี่ยมันจะเห็นตามจริงได้าตามที่พระพุทธเจ้าสอนได้ตัวนี้คือทําบริกา ร, รเพราะนั้นถ้าเขาจะเริ่มจากการท่องแล้วยังไงก็ไม่มีปัญหานี่ยเขาไม่เคยเห็นนะ ก, ก็ต้องท่องเอาท้องคุณก็ท่องทั้งคําหรือคุณจะท่องชั้นสั้นเอาตรงไหนก็ได้จารณาสัมปันโนคืออะไรวิชาคืออะไรพุโทโธคืออะไรพระกวาคืออะไรสัทธาปริสัธรรมภาษาฤทธิคืออะไรเราก็ทําความเข้าใจในแต่ละอันคุณก็ท่องไปทั้งไทยบาลีดีอยู่แล้วในในความหมายของท่านก็คือว่าผู้ที่จะมาบริกรรมโดยการใช้คําว่าพุโทโธเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่รู้บทอิติปิโสทั้งหมด ถึงคุณสมบัติของพระศาสดาของเราใช่ไหมคะใช่คุณตงเซาว่าค่ะเป็นผู้ปรัสรู้อชอบโดยพระองค์เองอเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณจระเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกทำสั่งสอนสัตว์แล้วยังไงนะคะเอาก็จิต ท, ที่ทรงอยู่ในนี้นนะนึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจิตที่ไปดีแล้วเพราะอะไร เพราะว่าคุณธรรมต่างๆที่เรานึกถึงท่านศีลนะคือจารณนะสิ่งที่ทำให้เกิดวิชาพวกนี้เราจะนึกถึงอยู่ตลอดเวลาเลยจนกระทั่งทำแบบเข้าไปในเนื้อจิตคือเป็นบริกรรมตรงนี้ไงเขาจิตมันเหมาะสมแล้วจิตเหมาะสมเจอผสพพัสสะพราะว่าเจอความทุกข์พะว่าเขาจะเห็นธรรมาได้เพราะสติที่ตั้งไว้ในส ม, มาสัมบูโตค่ะมี คนจํานวนมากนะคะที่ท่านเชื่อว่าบังทีอาจจะชวยเอาคําว่าพุทธโธมาบริกรรมเพราะก็มีความรู้สึกว่าง่ายดีอืแต่อาจจะยังไม่เข้าใจตลอดถึงความหมายทั้งหมดรู้แต่ว่าพุทธโธเนี่ยคือพระนามของพระพุทธองค์ละพระศาสดาที่เรานับถือละรู้แค่นี้จะสามารถทําให้สติเจริญด้วยพุทธานุสติได้ไหมคะท่านในสมัยพุทธกาลคุณโยมติวมีพระามคนหนึ่งชื่อเสนละพราม เขาเขาได้ฟังกันมาพุโทโธคําเดียวนะพุโทโธเนี่ยเขาคนลุกสู้เลยฮะคุณว่าอะไรนะพุโทโธเหรอพุทโทเกิดขึ้นแล้วจริงเหรอแบบเขาอยู่ไม่ได้เลยต้องถามสามรอบนะพระเจ้าหมหากรบินายิ่งกว่าเซนลาบรามอีกฟังได้ฟังครั้งแรกเนี่ยอะไรนะจริงอะ่ะพอเขาบอกจริงมีสัมมาสมพุโทโธพุธโทโธนี่เกิดขึ้นแล้วสลบไปเลยเป็นอย่างเงี้ยสามรอบโอ้โหอยู่ไม่ได้คือแบบดีใจมาก ใชมัคือคำว่าพุทโธคําเดียวเพราะว่าเขารู้ว่าพุทโธคืออะไรไงคือเขาเข้าใจความหมายว่าพุทโธไม่ใช่ธรรมดานะยิ่งใหญ่นะมีลักษณะมหาบุรุษมหาสมบัติมีคุณธรรมอย่างนั้นมีความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิโอ้คนแบบนี้มีจริงๆก่อนนี้อนึกไม่ถึงไงนะตกใจคือแบบดีตื่นเต้นดีใจจัดนี่คําว่าพุทโธคําเดียวนะอันนี้มาจาในพระสูตรเดเซลบรามเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคือถ้าเราเข้าใจความหมยคือมันไม่ใช่แคว่าศัก์ว่า อย่างถ้าเราพูดภาษาใดาภาษาหนึ่งเป็นความสวยหรูเขาพูดมาเป็นภาษาเกาหลีแล้วเราไม่เข้าใจความเราก็ไม่เข้าใจแต่นี้คือพวกนี้เขาเขามีความรู้มาแล้วไงเช่นพระเจ้ามาคีพินะเซเลอรลพราหมหรือคนอื่นๆอีกเนี่ยที่เขาได้ยินคนํานี้ปุ๊บเนี่ยเขาสึกโอ้โหมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาคือเขาก็มีบา ร, รมีที่เขาบําเพ็ญมาหมายความว่าอินทรีย์เขาก็มีความแก่กล้าในการที่จะเข้าใจคำเนี้ยได้อย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นคนที่ได้ยินคาว่าพุทโทเนี่ยอยาเข้าใจผิวเผินฉาบฉวย แค่ว่าคุณต้องไว้ในใจไม่ใช่ไม่ได้เลยมันยิ่งใหญ่กว่านั้นแต่คนที่ว่าจะนึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธเนี่ยคุณต้องใช้ความหมายที่ลึกซึ้งแบบอย่างนี้ต้องแบบอย่างนี้ค่ะท่านคะอมีคนจํานวนไม่น้อยเลยในประเทศไทยนะคะก็จะสวด บ, บทอิติปิโสเหมือนกับว่ามีความเชื่ออย่างาดิฉันอายุห้าสิบสี่ปีเนี่ยจะต้องสวดห้าสิบห้าจบอย่างเงี้ยนะคะอ อ, อันนี้จะถือว่ากําลัง ภาวนาหรือว่าบริกรรมด้วยพุทธานุสติเหมือนกันเพราะว่าบทนั้นก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธองค์มีคุณค่าเท่ากับเป็นการบริกรรมจริ ง, รงๆหรือไม่คะก็ต้องย้ําว่าการบริกรรมอยู่ที่จิตในประเด็นคือถ้าปากเขาพูดไปแล้วจิตเขามีนิวรณ์มันก็จะไม่เข้าใจความในประนั้นจิตก็ต้องด้วยทีนี้มันมันก็มีเกี่ยวข้องกันไงว่าเอาแน่นอนบางทีเราการกระทําทางกาย ก็มีผลเนื่องไปที่จิตเพราะจิตมันก็ต้องมีการได้รับกันควบคุมในระดับหนึ่งคุณถึงมาทําทางกายอย่างนี้ได้การกระทําทาง <c oughs> วาจาก็มีผลเนื่องไปกับจิตมันก็จะเหนียวนํากันไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเหมาโดยส่วนเดียวว่าไอ้คนที่พูดบทนี้พูดคํานี้สวดบทนี้แล้วมันจะดีที่ใจอืมอาจจะไม่เป็นอย่า ง, งานั้นจะเหมาไม่ได้แต่เราสามารถทําความเข้าใจได้ว่าเออคุณพูพดทําทางวาจาะนะมีการกระทําทางวาจาที่ดีมีการกระทําทางใจที่ดี แล้วถ้าเขาฝึกทําใจที่ดีเนี่ยโหมันดีมากเลยอันนี้เราก็ให้เข้าใจแบบนี้ก็จะได้มันก็ต้องแยกแย ะ, ะนะเพราะใจก็ส่วนหนึ่งว่าใจก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งดังนั้นถ้าหากว่าเข้าใจความหมายด้วยแล้วถนัดในการที่จะภาวนาเต็มบทหรือสวดมนต์อย่างที่ได้กราบเรียนท่านไปแล้วเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็เท่ากับว่าได้บริกรรมด้วยพุโทโธเช่นเดียวกันถูกต้องบริกรรมด้วยพุโทโธให้ใจนั้นเป็นบริกรรมโดยใช้พุโทโธสัมมาสัมพุโทโธพุทธานุสิติเนี่ย เป็นเครื่องมือให้ใจเป็นบริกรรมค่ะการที่เราภาวนาอย่างที่ท่านสอนในตอนต้นของรายการทุกๆวันเนี่ยนะคะในกรณีที่มีคำบริกรรมกับในกรณีที่ใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือในการให้สติตั้งอยู่นี้มีความแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่คะตรงนี้คุณโยมติวนำมาพยายามจะขุด พ, ทพัทัยปิฎกหาข้อมูลที่ว่าคือถ้าพระพุทธเจ้าจัดหมวดอนุสติสิ ไล่มาตั้งแต่พุทานุสติธรรมานุสติตังการนุสติศีรานุสติอุปสมานุสติจารานุสติเทวานุสติไปจนถึงอานาปานสติเนี่ยทั้งหมดนี้คือหมวดเดียวกันนะหมวดเดียวกันแล้วท่านลงในรายละเอียดว่าโอ๋อนาปานาสติเนี่ยคือสติปัฏฐานสี่ท่านมีการแยกแยะแจกแจงไว้ให้โดยอธิบายอย่างที่อาตมามาพูดตั้งแต่ตอนต้นใช่ไหมอันนี้คืออนาปานสติเป็นสติปัฏฐาน4นะอันว่าพยายามจะหาอยู่ว่าเอ๊พุทธานุสติเนี่ยจะเป็นสติปัฏฐานสีได้งไง ธรรมานุสติสีลัสติหรือจาคานุสติจะเป็นสติปัฏฐานสีได้ไงยังไม่เจอพื้นสูตรตรงนี้คือพระพุทธเาไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ให้แหมมันหาไม่เจอแต่ทั้งหมดเนี้ยเราพอจะอนุโลมกันได้เพราะว่ามันอยู่หมวดเดียวกันเป็นธรรมะหมวดเดียวกันแสดงว่าอนุสติทั้งสิบอย่างเนี้ยจะต้องจัดลงไปในลักษณะของสติปัฏฐานสีได้แน่นอนแหมแต่ด <c oughs> ิง ต, ตรงเนี้ยเชื่อมตรงเนี้ยมั น, มนไม่มีโดยพุทธโพ์เนี่ยแหละน่าเสียดายค่ะดิฉันก็ ก็ไม่รู้จะถูกหรือจะผิดจะเหมาะหรือจะควรหรือไม่ก็ต้องกราบขอประธานโทษไว้ก่อนที่จะบผมว่าฝากท่านด้วยแล้วกันนะคะเพราะว่า เ, าเหมือนกับในเมื่อมีการอธิบายในเรื่องเดียวกันเนี่ยที่ไม่เหมือนกันสักทีเดียวในระหว่างผู้ที่ศึกษาคําสอนของพระศ า, าสดาเราก็เป็นชาวพุทธเราก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วก็จะคอยนะคะว่าท่านเนี่ยได้พบความแตกต่างหรือคําอธิบาย ที่ทำให้เราเข้าใจชัดเจนมากกว่านี้หรือไม่อย่างใดแต่วันนี้คิดว่าก็ได้ความรู้มากทีเดียวนะคะดิฉันเคยได้ยินมาเหมือนกับว่าถ้าเราเนี่ยมีคำบริกรรมจะเหมือนกับเป็นการปรุงแต่งอย่างหนึ่งซึ่งยังจัดอยู่ในขันห้าแล้วในทางปฏิบัติของภาษาสดาท่านต้องการให้เราละขันทั้งห้าได้ ก็จะทำให้อาจจะมีภาระในการต้องไปละในส่วนที่เป็นการปรุงแต่งนี้อีกนอกเหนือจากที่เราพยายามลดการที่จะมีขันสี่ขันอยู่ก่อนเอาไว้เหลือขันตัวที่หใช่ไหมคะมคื อ, อวิญญาณหรือว่าจิตเนี่ยเป็นตัวรู้อยู่กับรูปก็คือลมหายใจโอ <laughs> <Okay. S 1> เคอานาปานสติตเนี่ ย, ยู่ คือแน่นอนว่าอย่างสมมติเราพิจารณาเห็นอนัตตา น, นี้เป็นการปรุงแต่งแน่นอนจากคนที่ไม่เคยเข้าใจอนัตตาไม่เคยเข้าใจความไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นของเที่ยงทุกอย่างเป็นของสวยรูปสวยงามหมดเนี่ยเขาต้องมาฝึกในการเห็นว่าเฮ้ยอันนี้ไม่สวยงามนะอันนี้ไม่เที่ยงนะอันนี้เป็นการปรุงแต่งแน่นอนคุณโยมติว๋วเป็นสังการแน่นอนเป็นสังการแน่นอนเพราะฉะนั้นเราจะสับสนเลยถ้าบอกว่าเราเอาขันห้ามารวมกับมรแปดเราจะสับสนตันดีเพราะว่าขันห้าไม่ใช่มรแปดคุณน้องแยกกันก่อน สมมติอนัตตาสัญญาหรืออนิจจสัญญาหรืออสุภัสสัญญาพวกนี้เป็นสัญญาหมดเลยนะนี่พุทธพจน์นะอนิจจสัญญาอนัตตสัญญาทุกขสัญญาโหมีสัญญาหลายอย่างเเช่นกสําคัญโดยความเป็นของไม่น่ายินดีในสิ่งทั้งปวงโดยอาหารเป็นปฏิคูลพวกนี้เป็นสัญญาสัญญาสัญญาหมดเลยเอาเป็นขันธานี่นี่ไงถึงอย่าสับสนอย่าสับสนเพราะว่าพวกนี้เป็นมร์เป็นมร์อะไรก็ตามที่มีความไม่เที่ยงเป็นการปรุงแต่ง แต่ถ้ามันทําให้เกิดความคลายกําหนัดทําให้เกิดการละออกซึ่งตัณหาทําให้เกิดความจางคลายให้เกิดความรู้ยิง่งรู้พร้อมอันนั้นพระพุทธเจ้าปาดออกมาส่วนหนึ่งว่าเป็นมัจมันไม่เหมือนกับขันห้าทั่วๆไปที่คุณจะต้องละเป็นคนละเรื่องกันเพราะว่าขันห้าตรงนี้ถ้าคุณเอามาทําให้มากเรามาใช้บทพยัญชนะปิดะไะ็นไหมว่าถ้าเราจะบอกว่าขันห้าเอามาเจริญให้มากเราพูดไม่ถูกเราต้องเรียกว่า ม, มาัจต้องเรียกว่า ม, มาัจแล้วทําให้มากการที่เราฝึกในการที่จะเห็นโดยคการเป็นของไม่เที่ยงเห็นของสวยงามเป็นของไม่สวยงาม อันนี้ปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยปรุงแต่งหมดเลยคุณไม่มีความรู้อะไรอ๋อบว่บมีบุญมีพ่อมีแม่มีนี่เป็นการปรุงแต่งทั้งสิ้นเลยแต่สมาธิทีนะสมาธิิเพราะเราอย่าสับสนเอามาร์กกับขันห้ามาปนกันมันจะยุ่งใบใหญ่ๆต้องแยกกัน<ช>ส่วนไหนเป็นมาร์ก็ต้องทําให้มากส่วนนี้เป็นขันห้า 5, ทําความเข้าใจขันห้าไม่ใช่ละนะละนี่ต้องละตันหาถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปละขนันห้าละสัญญาละสังขารแตกผิดแต่ขันห้าให้ทําความเข้าใจละนี่ต้องละตันหาทํามากนี่ต้องคือมาร์ก 8, ถึงจะถูก ออืดังนั้นขันห้าในที่นี้ที่ท่านบอกว่าต้องทําให้เกิดความเข้าใจใช่ไหมคะให้เกิดความเข้าใจในที่นี้อ่าขันห้านี้อยู่ในส่วนไหนของอริยสัจสิคะทุกข์อริยสัจนะคะอ่าก็เพื่อที่จะให้ท่านผู้ฟังไม่งงจะได้รู้ว่าขันห้าเป็นเรื่องของทุกข์ใช่แต่ว่าเวลาอธิบายมากกว่านี้ไม่มีซะแล้วยังไงก็อได้ได้ข้อสรุปง่ายๆเข้าไว้กันล้กันว่าอ่าที่คุณหนุ่ม สงสัยมาถึงคำว่าพุโทโธในการภาวนา น, นั้นนะคะท่านไ mm hmm. พบูรณ์บอกว่าพุโทโธเป็นพุโทโธวัจนะแน่นอนนะคะ mm hmm. แล้วก็รายละเียต่างๆก็ว่ากันไปแล้ว mm hmm. ไว้วันอื่นถ้ามีคำถามอีกก็ถามมานะคะรายการนี้ยินดีที่จะให้ความกระจ่างแก่ท่านแต่การพิสูจนธรรมะของพระพุทธองค์ปฏิบัติคะ่ะท่านให้นาไปสู่การปฏิบัตินะคะ ท่านได้ตรัสเอาไว้เลยในเรื่องของทอําบทสรรเสริญใช่ไหมคะบทระลึกถึงพระธรรมใช่ใช่ค่ะตันนี้ก็นมันส ก, การขอบพระคุณท่านเพบูรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาสนทนากันต่อในวันพรุ่งนี้นะคะเจนปากรามนวัต ก, การค่ะท่านฟังที่รบ ค, ค่ะรายการสัมสีน์สนทนานะคะก็เป็นเครื่องมือที่จะทําให้ท่านทั้งหลายที่สนใจพระพุทธศาสนา ไม่ว่าจะในแง่ของคําสอนหรือนําไปสู่การปฏิบัติเลยได้ความกระจ่างมากยิ่งขึ้นจากท่านพิบูลซึ่งได้ศึกษาในลักษณะของทั้งการค้นคว้าแล้วก็การปฏิบัติท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรหลีกเร้นอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีวันนี้รายการนี้นะคะลากันไปแต่เพียงเท่านี้เพื่อที่จะมาพบกันใหม่พรุ่งนี้กับสรนสนีสมทนาพุทธวสวัสดีค่ะ